وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ب ن ا عليه البنيان الضبهم أعلم بهم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 ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والرب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل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 เว้นแต่ ا أ a ลล a h ส่งประสงค์จงดำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าเมื่อเจ้าลืมและจงกล่าวว่าบางทีพระผู้อภิบาลของฉัน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 จงกลา่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าล้อทรงรู้ดียิ่งว่าพวกเขาพำนักอยู่นานเท่าใดสำหรับพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์ทรงเห็นชัดและทรงฟังชัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผู้คุ้มครองใดๆสำหรับพวกเขาอื่นจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงรับรู้ผู้ใดเข้าร่วมเป็นภาคี วักลูมาอูฮียองของ์มิิาบิรับบิกลามบุบ ด, ดลลิคลิมติฮวลาดจด์มิดูนฮมุละฮดและจงอ่านสิ่งที่ถูกองการแก่เจ้าจากคำภีของพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของพระองค์และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใดๆเลยนอกจากพระองค์ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ر َ ب َّ ه ُ م بِالْغَدَاتِ و َ ا ل ْ ع َ ش ِ ي ّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أ َْ ف َ ل ْ ن َ ا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ ف ُ ر ط ً ا และจงอดทนต่อตัวของเจ้าร่วมกับผู้วิงวอนขอต่อพระผู้อวิบาลของพวกเขาทั้งยามเช้าและยามเย็เนโดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์และย่าให้สายตาของพวกเจ้าหันเห อ, ออกจากพวกเขาขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตในโลกนี้และเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราได้ทําให้หัวใจของเขาละเลยจากกา ร, รนับถือถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ําของเขา และกิจการของเขาก็จะพินาศสิ้นว่กุล الحق من ا ل ر َ ب ّ ك م فما شاءَ ف َ ل ْ ي ُ ؤ م ن و وَمَا شَاءَ فَلْيَكُفُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا วจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจา้าดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธาและผู้ใดไม่ประสงค์ก็จงปฏิเสธ แพ้จริงเราได้เตรียมไฟนรกไว้สำหรับพวกอาธรรมซึ่งกำแพงของมันได้ล้อมรอบพวกเขาและถ้าพวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ำเสมือนน้ำทองแดงเดือดลวกไปหน้ามันเป็นเครื่องดื่ดที่ชั่วช้าและเป็นที่พานักที่เลวร้ายเม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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون سيابا ويلبسون سيابا خضرا من سودس واستبرق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ِ ك نعم الثواب وحسنك متفقا ชนเหล่านั้นแหละสําหรับพวกเขาจะรับสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่พรมนักมีลําน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาในสวนสวรรค์พวกเขาจะรับประดับกําไลทองและสวมเสื้อผ้าสีเขียวที่ทําด้วยผ้าใหม่ละเอียดและผ้าไหมหยากนอนเอกขนกอยู่บนเตียงในสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งและเป็นที่พรมนักที่ดีเยี่ยม และจงเปรียบเทียบอุทาหอนหนึ่งแก่พวกเขาคือชายสองคนเราได้สวนอ ง, งุ่นสองแห่งแก่คนทั้งสองและเราได้ล้อมสวนทั้งสองไว้ด้วยต้นอินทผลม และเราได้ทำให้พืชพันระหว่างสวนทั้งสองด้วยแต่และสวนทั้งสองนี้ได้ออกผลของมันอย่างสมบูรณ์ไม่เคยลดน้อยแต่อย่างใด และเราได้แม่น้ำไหลผ่านสวนทั้งสองและเขาได้รับผลผลิตดังนั้นเขาจึงกล่าวแก่เพื่อนของเขาขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่าฉันมีทรัพย์สินมากกว่าเจ้า และมีบริวารมากว่ายเขาได้เข้าไปในสวนของเขาโดยที่เขาเป็นผู้อาธรรมต่อตัวของเขาเองเขากล่าวว่าฉันไม่คิดว่าสวนนี้จะพินาศไปได้เลย และฉันไม่คิดว่าวันอวสานของโลกจะมีขึ้นและหาก ว, ว่าฉันจะถูกให้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนฉันจะกลับไปพบที่กลับที่ดียิ่งกว่านี้แล้วเขาจะพูดอะไร เพื่อนของเขากล่าวแก่เขาขณะที่กำลังโต้เถียนกันอยู่ว่าท่านเนรคุณต่อพระผู้ทรงสร้างท่านจากดินแล้วจากเชื้ออสุจิและพระองค์ทรงทำให้ท่านเป็นคนโดยสมบูรณ์กระดนานือ أ ا แต่ฉันเชื่อว่าพระงค์คืออัลพระผู้อภิบาลของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีกับพระผู้อภิบาลของฉันเป็นอันคาดลักลท์เَนนต์ ت ์กุล ق ์มาَ่ ا อ ل ل ล ه ฮ ل ล قوة อิِ่ ا ل ل ิลลา ลแล้วทำไมล่ะเมื่อท่านเข้าไปในสวนของท่านท่านควรกล่าวว่าสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์ย่อมเกิดขึ้นไม่มีพลังใดๆที่ช่วยเราได้นอกจากที่อลัลลอ์เท่านั้นหากท่านเห็นว่าฉันด้อยกว่าท่านทางด้านทรัพย์สินและลูกหลาน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 ห, หรือน้ำของมันกลายเป็นที่เหือดแห้งแล้วท่านไม่สามารถจะพบมันได้เลย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 และเขาไม่มีพักพวกที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือ ق, ด้วยเหตุนั้น การช่วยเหลือคุ้มครองเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงสัจจ์และพระองค์ทรงดียิ่งในการตอบแทนและทรงดียิ่งในบ้าานปลยดดริดุนา และจงเปรียบเทียบอุทาหรนการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้แก่พวกเขาเประหนึ่งน้ำที่เราหลั่งลงมาจากฟากฝาก้า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 และบันทึกจะถูกวางไว้ดังนั้นเจ้าะเห็นผู้กระทำความผิดทั้งหลายวันกลัวสิ่งที่อยู่ในบันทึกและพวกเขากล่าวว่าโอ้ความวิบัติของเราเ อ, อ่ยนี่บันทึกอะไรกันมันไม่ได้ละเว้นสิ่งเล็กน้อยและสิ่งใหญ่โตเลยเว้นแต่ได้บันทึกมันไว้อย่างครบถ้วน และพวกเขาได้พบสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ปรากฏอยู่ต่อหน้าโดยที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่อาจทำต่อผูใ้ใดเลย ت ت ال และจงด้ำลึกถึงเมื่อเราได้กล่าวแก่มาลายกาว่าจงคารวะต่ออาดัมพวกเขาก็แสดงการคารวะเว้นแต่อิบลิสมันอยู่ในจาพวกยิน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 َمَا كُنْتُمُتَّخِدَ الْمُضِرِّينَ ข้าไม่ได้เอาพวกมันมาเป็นพยานในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแม้ในการสร้างตัวพวกมันเองและข้าไม่ได้เอาผู้ที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดมาให้ความช่วยเหลือ ุมและจงดำลึกถึงวันที่พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเรียกคู่พาคีของข้าที่เจ้ากล่าวอ้างนั้นและพวกเขาก็ร้องขอให้พวกมันช่วยเหลือแต่พวกมันจะไม่ตอบรับพวกเขาและเราได้กําหนดให้มีแหล่งพินาตระหว่างพวกมันกันเอง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 َلَقَدْ الْقُرْآنِ صَرَّفْنَا هَذَا فِي كُلِّ وَكَانَ และเราได้ที้แจ้งแก่ม น, นุษย์ในอัลกุรอานมีแต่ละตัวยอยา่างแต่มนุษย์ชอบโต้เถียงในเรื่องต่างๆเป็นส่วนใหญ่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 เว้นแต่จะให้ตัวอย่างแต่การก่อนมาอย่างพวกเขาหรือจใจการลงโทษลงมาอย่างพวกเขาต่อหน้าต่อตา และเราไม่ได้ส่งบรรดาศาสนาทูตมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะโต้แย้งด้วยความเท็ดเพื่อทำลายล้างสัจธรรมด้วยมัน และพวกเขายึดนอางการทั้งหลายของข้าและสิ่งที่ถูกตักเตือนเป็นการล้อเลียน และผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้ดำลึกด้วยองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาก็หันหลังหา่างออกไปแล้วลืมสิ่งที่มือทั้งสองของเขาประกอบเอาไว้แท้จริงเราได้ทำฝาปิดไว้บนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจและในหูของพวกเขา น, นหนุ่ และถ้าเจ้าเรียกร้องเขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้องพวกเขาก็จะไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นเลยวบุกัลฟูรุุรห์ม์ลยูอาิุฮุบิมาบูจัลุมุลาบบัลลุมมอิดุลยจดมิดูฮมอิลและพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาสมอ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 และเราได้กำหนดเวลาสำหรับความพินาศของพวกเขาไว้แล้วและจงรำลึกถึงเมื่อมูซาได้กล่าวแก่คนใช้หนุม่มยูสะอิบนูนุลของเขาว่าฉันจะยังคงเดินต่อไปจนกว่าจะบรรลุสู่ชุมทางแห่งสองทะเล หรือฉันจะคงเดินต่อไปอีกหลายปีและนั้นเมื่อทั้งสองถึงชุมทางระหว่างทะเลแล้วทั้งสองลืมปลาของเขาดังนั้นมันจึงหาวิธีของมันลงทะเลไปตามทาง ครั้นเมื่อต้องสองเดินทางเลยต่อไปอีกเขาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มของเขาว่าจงนำอาหารกลางวันของเราออกมา ความจรเราดินทงของเราในคร้นี้เขาคนรับใช้บอกว่าท่านมีเห็นดอก เมื่อเราพำนักอยู่ที่ก้อนหินแท้จริงฉันลืมที่จะพูดถึงเรื่องปลาและไม่มีผู้ใดที่ทำให้ฉันลืมกล่าวถึงมันนอกจากชายตอนและมันก็หาทางลงทะเลอย่างน่าประหลาดใจแทนเขากล่าวว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการหาดังนั้นทั้งสองจึงหวนกลับตามร่องรอยไปที่เดิม แล้วต้องสองได้พบบ่าวคนหนึ่งจากวงบ่าวของเราที่เราได้ประทานความเมตตาจากเราให้แก่เขาแล้วเราได้สอนความรู้จากเราให้แก่เขา قال له موسى هل ت ب ع ك على ن تعلمني مما علمت رشدا มูสาได้กล่าวแก่เขาว่าฉันจะขอติดตามท่านไปได้ไหมโดยให้ท่านสอนสิ่งที่ท่านได้เคยเรียนรู้มาแก่ฉันตามแนวทางที่เที่ยงตรง قال ن ك لن تستطيع م يصبرا เขาขอตริกล่าวว่าแท้จริง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 ل ل ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางจนกระทั่งเมื่อทั้งสองลงเรือเขาข้ติดจึงเจาะเรือให้เป็นรูเขามูซากล่าวว่าท่านเจาะรูมันเพื่อให้คนที่อยู่ในเรือจมน้ําตายกระ น, นั้นหรือโดยแน่นอนท่านได้นํามาซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่ง เขาคอตริดกล่าวว่าฉันไม่ได้บอกหรือว่าแท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได้เขามมสากล่าวว่าโปรดอย่าเอาโทษกับฉันเลยในสิ่งที่ฉันลืมและอย่าบังคับฉันให้ลำบากใจ ในเรื่องของฉันเลยแัละตถ้าเล็งยาาลลวลนัฟซียบไรนัฟเขลดจตชยนุราดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบเด็กคนหนึ่งเขาข้อติจึงฆ่าเด็กคนนั้น ขโมูซากล่าวว่าท่านฆ่าชีวิตบริสุทธิ์โดยที่เขาไม่ได้ทําความผิดต่อชีวิตอื่นกระนั้นหรือแน่นอนท่านทําสิ่งที่เลวร้ายยิ่งเขาขอ้อเท็จได้กล่าวว่าฉันไม่ได้บอกกับท่านหรือว่าแท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได้ ขเขามูสสกล่าวว่าหากฉันถามสิ่งใดจากท่านหลังจากนี้ท่านอยากคบฉันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอีกเลยแน่นอนท่านมีข้อแก้ตัวจากฉันพอแล้ว فالطلّق حتى إذا أتيا أهل قرية لاستطع ما أهلها فأبو فأبو أي ضيفهما فوجد ا فيها جدار يُريد أي قاض فأخامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجران ดังนั créer, ้นทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไป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 เรากลัวว่าเขาจะเขี่ยวเข็นให้ทั้งสองตกอยู่ในการละเมิดและปฏิเสธศรัทธา